าผ่านมาเกิดึ้นทางแล้วไมรวอยู่นีรู้สึกากประมาณต่างก็คือรู้สึกว่าเวลาผ่านเร็วพวกเพรนี่ก็คิดแบบที่าทีแนี่มัเฉทีองชาเพื่นเพื่อนก็อย่างช้าแต่ตรนนี้ดูเวลาผ่านเร็วแล้วเ่อนเป็นต่างเป็นพร คนที่เพิ่มาใหม่นะก็ยังอาจจะรู้สึกว่าเวลาผ่านไปช้าแต่ับาอ่อกไปได้สองสามวันนะก็จะรู้สึกว่าเวลาเลยขึ้นออกกลับตัวได้จะผ่านทุอกอย่างธรรมยานตา็มายเลย ตันนี้เป็นวันที่เราจะต้องเดินทางไกลเมื่อวานนี้ช่วงเช้าเราเดินสบายๆแต่ว่าเช้าวันนี้คมจะต้องทาเวลาที่ดุเพราะว่าเราจะต้องเดินเกือสิกิโลในฉพาะในช่วงช้า่างเีแต่ที่ยกตรงที่เราทําแนละ้ผ่านมาแล้ว เพราะฉะนั้นข้างหนมันจะยากแค่ไหนก็คงไม่เกิบความสามารถของเราไม่ใช่เฉพาะความสามารถของเราแต่ละคนนะแต่รวมถึงความสามารถของกลุด้วยาการให้กํำลังใ จ, จกใันการเป็นกําลังใจหกันและกันมันก็ช่วยทำให้เรสามารถจะทําสิ่งยากให้สําเร็จได้ ธรรมยาการเนี่ยเห็นพูดไปแล้วว่าเราไม่ได้เดินด้วยเท้าเ่านั้นนะเราเดินด้วยใจด้วยแลวก็ใจใจนี่ก็สำคัญมากบางคนเท้าอาจจะแข็งแรงแต่ถ้าใจไม่แข็งแรงใจไม่สู้ก็เดินถึงที่หมายได้ลำบาก หรือว่าเดินไ <c oughs> ด้วนนความทุกข์เดินได้ความท้อแต่ที่แม้สุขภาพจะไม่ดีร่างกายไม่อ่อน่วยแต่ว่าใจสู้ใจไม่ทอ้อและดีกว่าที่ใจไม่ทุกข์นะก็จะทำให้สามารถจะไปถึงที่หมายได้สำนิยามารมันไม่ได้เป็นเครื่อง เครื่อวัดความแข็งแรงของร่างกายนะแต่ว่ามันมันพิสูจน์ขนาดของหัวใจนะวหัวใจนี่ใหญ่แค่ไหนหัวใจนี่นขึ <c oughs> ้นแค่ไหนบางทีตัวเล็กๆนะแต่ว่าใจใหญ่มากเลยนะเดินนทางนีงน้ศาสตรเชิญนี้เราคงจะเห็นนะ ว, ว่ามีหลายคนนะมันเดินกับเรา เด็กหลายคนมาเดินกับเราแล้วเขาก็สามารถจะเป็นกําลังใจแรงบันดาลใจให้กับเราได้ที่สั้นอย่างปีนี้ก็มีเด็กตัวเล็ ก, เ ล, กเล็กที่สุดเลย น, นะนะชื่อมีนาห้าขวบตัวนี้ประมาณเอวอรตา ม, มาได้มั้ง <c oughs> แต่มีนานี่ก็เดินนะตั้งแต่วันแรกเลยนะตั้งแต่วัดพุทธาองก็เดินมา ไม่ได้นั่งรถเลยนะเดินด้วยท่าของตัวเองมาตลอดอาจจะมีแม่ช่วยอุ้มบ้างเป็นบางครั้งนะแต่ว่าส่วนใหญ่ล้วเดินด้วยท้าของตัวเองโดยพระเมืวานนะี้เดินมาตลอดเลยตลอดบายมีตัวช่วยน้อยมากนะแล้วก็ไม่ได้นั่งรถเลยมาถึงนี่อย่อยางะสะดวกโยธินนะ ตัวเล็กก้าวเท้าก้อนแค่ครึ่งเดียวของพวกเราแต่ว่าเชื่อว่าใจสู้มากก็สามารถที่จะมาถึงที่นี่ได้มันอยู่ที่ใจนะเป็นสำคัญร่างกายอาจจะไม่อือื้อมนวยอาจจะไม่ไหวแต่พอได้พักสักหน่อยนะ ถ้าใจสู้แล้วเนี่ยก็จะพื้นตัวได้เลยแได้ไหมแต่ยังไม่ครบร้อยปอร์ซนะแต่ว่าก็สามารถที่จะเดินต่อไปได้เรื่องใจเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับธรรมญาตราธรรมญาตรานี่มันมีอยู่สองภาคสองมิตินะในด้านนี้ก็เป็นการ รณรงเพื่อฟื้นฟูเรียกร้องเชิญชวนให้ธรรมะคือความปกติความถูกต้องกลับคืนสูธรร่ธรรมชาติเพราะธรรมชาติเี็นแปรปวนเป็นนิกัยซึ่งไม่ใช่เป็นเพราะว่าธรรมชาติอิสระในตัวเองนะแต่ว่าเกิดจากฝีมือของมนุษย์เกิดความไม่ถูกต้องขึ้นมาในด้านนี้เราก็รณรงค์เรียกร้องเพื่อให้เกิด ธรรมะขึ้นฟื้นฟูธรรมะให้เกิดขึ้นกับธรรมชาติอีกด้านหนึ่งเราก็ทําเพื่อฟื้นฟูนความปกติความถูกต้องหรือธรรมะให้เกิดขึ้นกับตัวเราโดยพอกับจิตใจของเราถ้ารณรงเพียงเพื่อความสนุกของธรรมชาติรณรงค์เพื่อปกป้องธรรมชาติเนี่ยมันยังไม่ได้ว่าธรรมญาต์ตรา อย่างครบถ้วนร้อเซ็นะมันต้องมีส่วนหลังก็คือการฟื้นฟูธรรมะคือความถูกต้องความปกติให้เกิดขึ้นกับจิตใจของเรานล้จะว่าไปแล้วเนี่ยสองอย่างมันสัมพันธ์กันมากการที่คนเราเนี่ยปล่อยให้กิเลสตันหาครอบงนจิตใจมันก็นำไปสู่การปี่นเป็นธรรมชาติได้ง่าย เพราะว่าได้เท่าไหร่ก็ไม่พอนะมีแล้วก็อยากจะมีอีกก็เลยไปเบียดเบียนธรรมชาตนะิตัดต้นไม้จนหมดไปทั้งป่าก็ยังไม่รู้สึกพอก็ต้องไปตัดที่อื่นอีกขุดแรนะ่มาจนหมดแล้วก็ยังไม่พอก็ต้องไปขุดที่อื่นอีกนะอันนี้เพราะความ ไม่รู้จักพอเพราะถูกกิเลสถูกตัณหาครอบงำและที่จริงแล้วเนี่ยที่เป็นชนันต์ได้ก็เพราะการมีวิชาทิฏฐิคือไปมองว่าธรรมชาติมีขึ้นเพื่อผลเปรอะตอบสนองกิเลส ข, ของเราธรรมชาติเป็นเพียงแค่ก้อนวัตถุที่เราจะทำอะไรก็ได้โดยที่ไม่ได้ตระหนักว่าธรรมชาติ เป็นสิ่งที่เชื่อมโยงกับชีวิตของเรามากเป็นเสมือนผู้ที่มีพระคุณที่ให้ชีวิตนะกับเราไม่มีน้ำไม่มีอากาศไม่มีอาหารเราจะอยู่ได้อย่างไรมีธรรมชาตินะจึงมีเรา แต่ไม่มีเราธรรมชาติก็ยังอยู่ได้ผู้เจ้าให้มอ ง, มองสอนอยู่เสมอว่าให้เรามองธรรมชาติเนี่ยเป็นสิ่งที่มีบุญคุณเป็นเสมือนมิตรเคยตัดว่าอย่างผู้ใดอาศัยร่องเนาของต้นไม้แล้วแทนที่จะสำเนาในบุญคุณเนี่ยไประานต้นไม้นั้นตัดกิ่ไม้ของต้นไม้นั้น ถือว่าเป็นพุทปทุสลายมิตรคือเป็นคนเร็วสามตัดต้นไม้ที่ให้ร่มเงาแกบตัวเนี่ยถือว่าเป็นคนเร็วสามอยู่ยนะเพราะปทุสลายมิตรถ้านะทุกวันที่เราไม่ไดแค่ตัดต้นไม้ริดนอนกินไม้เรโค้นทั้งต้นเลยอาจจะไม่ค้นโดยตรงนะแต่ว่าไอ้ความโลภความอยากของเราก็ทําให้ไปชักชวนให้ใครต่อใครเนี่ยมาตัดต้นไม้ให้กับเรา เพื่อเราจะได้มีชีวิตที่สะสบายอันนี้หรอว่าการที่มีมิชาทิตฐิครอบงาก็ดีการที่มีกิเลสตัณหาครอบงาจิตใจเนี่ยมันทำให้จิตใจเราเนสูญเสียวความปกติไปและนำไปสู่การกระทำคือการทำร้ายธรรมชาติจริงอยู่ถึงแม้พวกเราอาจจะยาอาจจะไม่ได้มีความคิดแบบนั้นแล้วหรือว่าไม่ ไม่มีความรู้สึกมีความเครกธรรมชาติเราไม่ได้มีกิเลสตัณหาเรารู้จักพอและนั่นคือเหตุผลที่ทำให้เรามาเดินธรรมยาตราแต่ว่ามาเดินการเดินของเราในบางครั้งเนี่ยมันก็จะเจออะไรต่างๆที่มากระทบทำให้จิตใจเราสูญเสียความปกติไปโดยเพราะแดดที่ร้อนนะ ทางที่ไกลชีวิต ท, ที่ไม่สะดวกสบายอันนี้ก็เป็นการบ้านของเรานะว่าเมื่อเรามาเจอสิ่งเหล่านี้แล้วเนี่ยเราจะสามารถรักษาใจให้ปกติได้อย่างไรเราสามารถที่จะนําธรรมะคือความถูกต้องความปกติให้เกิดขึ้นกับจิตใจของเราผู้ง่ายคือว่าเดินธรรมญาตตาแล้วเนี่ย ไม่ว่ามันจะลาบากแค่ไหนนะแต่ว่าใจไม่ทุกข์อันนี้ก็เป็นด้านของธรรมยารานอกจากการรณรงค์เพื่อปกป้องรักษาธรรมชาติแล้วเราก็ยังรู้จักเราก็ยังรู้จักรักษาใจของเราด้วยนะรักษาป่ารักษาธรรมชาติแล้วก็ต้องรักษาใจของเรานอกจากรักษาใจไม่ให้กิเลสตัณหาครอบงำจนนำไปสู่การทลายธรรมชาติแล้ว ก็ร an 네ักษาใจไม่ให้มีความทุกข์จนกลายเป็นเบียดเบียนตัวเองเรามาเดินเพื่อธรรมชาติแต่เรากลับเบียดเบียนตัวเองหรือเรากลับทําร้ายตัวเองทําร้ายในที่ว่านี้ไม่ได้หมายถึงการสร้างความลําบากความทุกข์ให้แก่ร่างกายของเราแต่หมายถึงการสร้างความทุกข์ใจเดินไปก็บ่นไปเดินไปก็บ่นไปเดินไปก็เครียดไปขัดเคือง อันนั้นก็เรียกว่ายังไม่ใช่การเดินธรม ร, ธรมยถาธรรมยถาเนี่มันเป็นทั้งการ ร, าร้อร้องเาะสิ่งร้อนร้อนแ ล, ล้วเป็นทั้งการปฏิบัติธรรมก็เพราะเหตุนี้ก็ เ, เดินเพื่อธรรมชาติเดินเพื่อโลกแล้วขณะเดียวกันก็เดินเพื่อรักษาใจของเราให้ปกติด้วยและใจที่ปกตินั่นแหละก็จะนําไปสู่การอนุรักษ์ธรรมชาติการ รักษาธรรมชาติให้ยั่งยืนยิ่งขึ้น <c oughs> แล้ววันนี้เนี่ยนะทั้งเช้าเนี่ยมันจะเป็นแบบฝึกหัดให้กับเราว่าเราจะเดินอย่างไรมันจงจะเป็นธรรมญาตราอย่างครบถ้วนทั้งสองมิติทั้งภายนอกและภายในทั้งธรรมชาติ รอบตัวหรือธรรมชาติที่เป็นปากเขาแล้วก็ธรรมชาติภายในใจของเราทำอย่างไรเราถึงจะรับษาใจไม่ให้ทุกข์ทั้งทั้งที่เท้ามันปวดกายมันเหนื่อย การรักษาใจด้วยสติเนี่ยมันมีความสำคัญมากนะสำหรับผู้ที่เดินธรรมยาตรากายปวดกายเมื่อยบ่อยครั้งเนี่ยเราก็ซ้ำเติมตัวเองด้วยการเอาความทุกมาเล่นงานจิตใจของตัวเอง แล้วความทุกข์มันเกิดขึ้นจากการที่ใจเราไม่ค่อยได้อยู่กับปัจจุบันเท่าไหร่เดินธรรมยาตานี่นะสำคัญมากคือการที่น้อมใจมาอยู่กับปัจจุบันจุดหมายมันจะอยู่ไกลแค่ไหนให้ใจเีาอยู่กับปัจจุบันอยู่กับแต่ละก้าวที่เดินเมื่อเดินก็รู้สึกตัวว่าเดิน เรียกว่าเอาใจมีอยู่กับเนื้อกับตัวอย่าไปตรวจ่อบที่จุดหมายปลายทางเพราะถ้าไปตรวจ่อที่นั่นเนี่ยเราจะทุกข์ได้กันเพราะว่าใจมันจะคอยบนว่าเมื่อไหร่จะถึงเมื่อไหร่จะถึงแล้วถ้ายังไม่ถึงก็จะบ่นว่าเนี่ยทำไมยังไม่ถึงสักทีนะเดินมาไกลแล้วฉันเหนื่อยแล้วไอ้เสียงบ่นที่มัน คนด่าอยู่ในใจเนี่ยนะมันจะคอยซ้ำเติมกายทำให้ย่ำแย่มากขึ้นเป็นการซ้ำเติมตัวเองสติสำคัญตรงที่ว่ามันช่วยทำให้เราเนี่ยไม่เผลอไปจดจ่อยอยู่กับอนาคตอยู่ที่จุดหมายปลายทางข้างหน้าแต่ดึงจิตกลับมาสู่ปัจจุบันดึงจิตกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัว ให้ถือหลังง่ายๆว่าตัวอยู่ไหนใจอยู่นั่นตัวอยู่ตรงนี้นะใจก็อยู่ตรงนี้ถ้าเมื่อใจอยู่กับนึกกับตัวเนี่ยมันจะหยุดบน่นมันจะหยุดวอยวายแล้วเมื่อมีความสึกตัวขึ้นมาให้ความขุนเครื่องใจก็จะมีครั้นจิตใจเราไม่ได้เราขุนเครื่องใจก็เพราะเราเผลอ เราไม่เราไม่มีความสึกตัวความสึกตัวนี่นเหมือนกับแสงสว่างที่าศาสตร์ส่องขับไล่ความมืดนะอากุศลธรรมที่มันครอบงำใจนะมันทําเช่นนั้นได้เพราะเพราะว่าเราไม่มีความสึกตัวเราเผลอตัวเราเผลอคิดถึงอนาคตเราเผลอคิดไปถึงอดีตนะแล้วความขุ่นเคืองความโกรธครอบงำใจแล้วก็ยังปล่อยให้มันเผาล้นจิตใจ แต่พอเรขาสึกตัวปุ๊บเนี่ยมันก็หายไปหรือว่าเพียงแค่เรารู้ทันว่ามันเกิดขึ้นมันก็ค่อยเรือนหายไปเหมือนกับโจรที่แอบเข้ามาข้ามยของเข้ามาบ้านเราตอนที่เราเผลอแต่พอเรารู้ตัวปุ๊บเนี่ยเจเอกับมันมั น, มนก็หลบหน้าไปเอง มันมีหลายวิธีที่ช่วยทำให้เรามีสติอยู่กับเนื้อกับตัวได้ชเช่นการบริกรรมก้าวเท้าซ้ายก็ซ้ายหนอก้าวเท้าขาวก็ขาวาหนอหรือว่าตามลมหายใจพุทโธหรือว่าเพียงแค่มีสติรู้ตัวขณะที่เดินเมื่อเดินก็รู้ตัวว่าเดิน ใจมันดัเพลิดคิดไปไกลแค่ไหนก็ดึงกลับมาอาศัยความรู้สึกตัวนี่แหละ <c oughs> บางค น, นใช้วิธีการนับก้าวนับก้าว <c oughs> บางคนก็รู้ก็พบว่าวิธีที่ดีก็คือการดูเท้าหรือดูขาของคนข้างหลัง <c oughs> ไม่ใช่ดูเฉยจ้องเลยนะเอาใจจดจ่อยที่ขาหรือเท้าคนข้างหลัง อันนี้เป็นวิธีที่เด็กเก้าโคบเขาคนพบนะฮะแล้วเขาก็พบว่าเออหลังจากที่เดินมาสามสี่วันแล้วไม่เหนื่อยละไอ้ที่ไม่เหนื่อยเนี่ยหมายถึงไม่เหนื่อยใจนะกายจะเหนื่อยเพราะเดินไกลนะแต่ว่าใจไม่เหนื่อยเราต้องฉลาดนะในการที่จะรักษาใจไม่ให้ทุกข์กับการเดิน แล้วนี่เป็นวิชาที่สำคัญมากนะเพราะวิชานี้เอาไปใช้ได้ที่อื่นด้วยไม่ใช่แต่เฉพาะธรรมยตถาเอาไปใช้ในที่ทำงานก็ได้เอาไปใช้เวลาเจ็บเวลาป่วยก็ได้ mm hmm. ก็คือว่ามันร้อนแต่กายใจไม่ร้อนนะมันปวดแต่กายใจไม่ปวดต่อไปเวลาเราปว่วยเรื่องโรคภัยไข้ไข้เจ็บใดๆก็ตามนะมันก็ป่วยแต่กายใจไม่ปว่วย เพราะอาวิชาเดียวกันกับที่ใช้ธรรมญาติปลายอย่างที่แนะนำนไปใช้กับตัวเองในวันข้างหน้าการบ้านอย่างแรกที่เราควรทานะคือว่ารักษาจใจอยู่กับปัจจุบั น, น, นแล้วก็รู้ทันความคิดที่เกิดขึ้นเลยว่าความคิดที่มันบันทอนจิตใจบั่นทอนร่างกายรู้ทันอารมณ์อกุศลที่เกิดขึ้น เพราะสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันทำให้เราล้าทำให้เราท้อได้ง่ายความขุ่นเคืองความวิตกกังวลนะการบ่นตีโพยตีภายอยู่ข้างในใจโอดโอยครั่งครวญยิ่งมันบ่นว่าไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วเนี่ยเรายิ่งทุกข์เข้าไปใหญ่แต่ทันทีที่เราใจสู้ขึ้นมา เวลาเดินก็บริกรรมว่าซ้ายทนได้ขวาสบายมากหรือขวาทนได้ซ้ายสบายมากเนี่ยมันจะปลุกใจให้ลุกขึ้นสู้ขึ้นมาและยิ่งไม่ไปนสนใจเส้นทางข้างหน้ามันจะไกลแค่ไหนอีกกี่กิโลแล้วไม่สนใจอยู่กับปัจจุบันอยู่กับแต่ละท่าที่ก้าวเดินเตือนใจถึงว่าจุดไหนที่ปลายเท้าแค่ใส่ใจอยู่กับแต่ละก้าวแต่ละก้าวแล้วก็เดินไม่หยุดเดี๋ยวมันถึงเอง แล้วมันจะถึงไวกว่าคนที่คอยแต่คิดว่าเมื่อไหร่จะถึงเมื่อไหร่จะถึงเมื่อคนที่คอยนับวันว่าเมื่อไหร่จะถึงเมื่อไหร่จะกลับบ้านสักทีเนี่ยคนที่นับวันถอยหลังเนี่ยจะยิ่งรู้สึกว่าเวลาผ่านไปช้ามากแต่พอเราไม่นับวันแล้เราลืมมันกลับนี่เรารู้สึกว่าเวลามันผ่านไปเร็วนอกจากใจอยู่กับปัจจุบนันรู้เท่าทันอารมณ์ความคิดที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ย ตัวช่วยนั่นคือการที่เราบอกกับตัวเองว่าเราจะยอมรับทุกอย่างที่เกิดขึ้นสองขั้นทางไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเราในช่วงวันนี้พรุ่งนี้เราจะยอมรับมันทุกอย่างแดแจะร้อนทางจะไกลฝนจะตกอาหารไม่ถูกปากหรือว่ามีความปวดความเมื่อเกิดขึ้นก็ยอมรับทำไมถึง ถ, ถึงต้องถึงควรจะยอมรับมันก็เพราะว่าถ้าเราผลักไสเราต่อต้านเราบนตีโพยตีพายมันก็จะยิ่งซ้ำเติมใจเราให้ทุกข์มากขึ้นทุกกายก็พอแรงแล้วนะ่จะไปซ้าเติมตัวเองด้วยการสร้างความทุกข์ใจแดดร้อนลมหนาเนี่ยมันไม่ทาให้เราทุกข์ใจได้มันทำได้มากทาให้ทุกข์กายส่วนทุกข์ใจนี่เราทำเองทุกข์ใจ เราทำเองหรือว่าเพื่อถูกคือว่าไอ้ความไม่มีสติความหลงนี่นแหละที่มันจะทำให้เกิดการปรุงแต่งอารมณ์ต่างๆขึ้นมาเราทิ้มแทงจิตใจของเราเผาล่นจิตใจของเราแต่นันทีท่เรายอมรับมันยอมรับเพราะมันเกิดขึ้นแล้วเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นอื่นไปไม่ได้ยอมรับเพราะมันเป็นธรรมชาติเช่นอากาศเนี่ยนะบางทีมันก็ มันก็พันผุ์นฝนตกหรือว่าบางทีมันก็แ ป, ปรปรวนแดดออกนะมันเป็นมันเป็นธรรมดาของเขาแดดแรงกลางวันนะในเดือนธันวาลนี่เป็นเรื่องธรรมดามากเราก็ยอมรับนะว่าเป็นธรรมดาของเขานะเมื่อเรายอมรับว่ามันเป็นธรรมดาแล้วเนี่ยใจเราจะ สงบปงได้ง่ายแต่ถ้าเราคิดว่ามันเป็นปัญหานะใจเราจะทุกข์เลยลองมองสิ่งที่เราเชื่อเป็นปัญหา <c oughs> เป็นธรรมดาดูบนะ้างนะโซ่ไม่พอก็ไม่ใช่ปัญหาเป็นธรรมดานะเราก็จะวุ่นวายน้อยลงใจเราก็จะเป็นปกติได้ง่ายขึ้น หรือไม่เราก็มองหาข้อดีของมันนะว่าดีนะทางไกลแต่ว่ายัางดีที่ไม่มีแดดนะหรือว่าทางไกลก็จริงนะแต่ว่าคนหนึ่งเขาหนักกว่า น, นีนะ้เขาไกลกว่านี้บางคนนี่นนเขาแบกของหนักกว่าเรานะนี่เรายัางโชคดีพอที่ บ, บนี้ได้มันก็ยอมรับยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นได้แล้วพอเรายอมรับได้ใจเราก็เป็นปกติขึ้นมา นี่เป็นการบ้านเข้าแรกมนะันคือการรักษาใจไม่ให้ทุกข์การรักษาใจให้ปกตินะอย่างน้อยก็เพื่อผลเดียวคือไม่ซ้ําเติมตัวเองมันทุกข์กายแล้วยังไปซ้ําเติมตัวด้วยความทุกข์ใจนะถ้าจะทุกข์ก็ทุกข์อย่างเดียวอย่าทุกข์สองอย่างนะแล้วถ้าเราทําถ้าเราฉลาดยิ่งกว่านั้นนะเราก็จะทํา ข้อที่สองด้วยก็คือว่าพยายามหาประโยชน์จากสิ่งที่เกิดขึ้นพรนะพุทธเจ้าเคยตรัสกับพระนันทิยะว่าบุคคลใดก็ตามที่ถือประโยชน์จากอิทธารมและอนิถารมเนะพราะผู้มีพระเจ้าสารเสดิจพูดทำมเป็นบัณฑิตพระนันทิยานี้ท่านตอลงังท่านก็เป็นพระอระหันต์นะพระเนธนันทิยาพูดกับพระองค์คลีมานอย่างนี้แหละนะว่า พูดแต่ก็ตามที่ถือประโยชน์จากอิทธารมและอณิธารมพูดนั้นเนี่ยพระภู้มีพระภาคเจ้าสารเสวะเป็นบัณฑิตอนิธารมคืออะไรอณิธาลมก็คือรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสที่ไม่น่าพอใจที่มาชวนให้เราขัดใจที่มาชวนให้เราขุ่นเครืองใช้คําว่ามาชวนเขเพราะว่ามันไม่สามารถทําให้เราขุ่นเคืองได้ถ้าเราไม่รับคําเชิญ ไม่มีอะไรที่ทำให้เราทุกข์ไม่มีอะไรที่ทำให้เราขุ่นเคืองไม่มีอะไรทำให้เราโกรธถ้าท้าใจเราไม่ไปร่วมมือด้วยเขามาเชิญให้เราโกรธเราไม่ไปรับคำไม่รับคําเชิญนั้นเราก็โกรธไม่ได้เ้ามาชวนให้เราทุกข์เราไม่รับคําชวนนั้นเราก็ทุกข์ไม่ได้นะสิ่งไนั้นมันเป็นเพียงแค่สิ่งมาชวนให้เราขุ่นเคืองไม่ว่าจะเป็นแดดไม่วเป็นถนนที่ร้อนหรือว่าการจราจรที่แน่นขนานมันมาชวนให้เราไม่พอใจแต่เรา รับคำชวนนั่นก็ได้เราก็เป็นเมื่อเราไม่รับคำชวนเราก็ใจเราก็เป็นปกติตอนนี้เมื่อสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นแล้วเนี่ย น, นี่ถาลรเกิดขึ้นแล้วเนี่ยบางครั้งเราอาจจะเผลอไปเป็นทุกข์สละพอเรามีสติรู้เราก็ดึงใจออกมาจากความทุกข์แต่มันยังทุกข์กายอยู่ แต่คนฉลาดจะไม่ยอมทุกข์ฟรีๆจะพยายามหาประโยชน์จากความทุกข์นั้นเช่นถือว่าเออมันมาเป็นเครื่องฝึกใจเราให้เข้มแข็งให้เราอดทนในความทุกข์ความลบากทางกายเนี่ยมันมาฝึกให้เราเข้มแข็งอดทนหรือว่ามันมาสอนให้เรารู้จักใช้สติในการรับมือกับทุกเวทนาเวลามีความเจ็บความปวด เราจะใช้สติรับมือกับมันอย่างไรใจเราจึงจะไม่เจ็บไม่ปวดตามกายมันปวดกายแล้วเนี่ยเออเราจะมาฝึกสติดูใช้สมาธิมารับมือกับมันเพื่อที่เราจะได้ไม่ไม่ปวดใจไปด้วยนะมันเป็นโอกาสดีนะฝึกสติได้นะเราที่ เ, ท, เท้าเหยียบหินเท้าเหยียบปวดแล้วก็ร้องโวดโยอ๊หรือว่าสุดปวดโหยข้างหนนะ S <S <an> ก็มาดูาเออทางานเราถึงจะไม่โอดไม่โวยทํางานเราจะยิ้มได้อาจจะไม่ยิ้มที่ใบหน้าแต่ยิ้มในใจนะมันก็เป็นการบ้านฝึกเราได้หรือว่าไม่หรือไม่ก็สอนทําให้กับเราเลยนะโอ้สังขารนี่เป็นทุกข์เหลือเกินนะเดินแต่ละกา้านนี่ก็ทุกทุกทุกนี่ที่เราสออันนันตตะลักนาสูตรเมื่อกี้เนี่ยนะมันเป็นแค่บทสวดมนต์นะแต่เวลาเราเดินกินเนี่ย เราก็จะเห็นเลยนะว่าสังขารไม่ใช่ของเราเวทนาไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราของเวทนาได้เป็นอย่างนี้เลยนะมันก็เป็นนะจะได้เจ็บได้ปวดเลยมันก็ปวดนะร่างกายเราอย่าได้เหนื่อยอย่าได้เมื่อยมันก็เหนื่อยมันเมื่อยนะมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเลยทั้งรูปก็ดีทั้งเวทนาดีเนี่ยสองตัวนี้เอาแค่สองตัวเนี่ยนะ มันก็สอนทําให้กับเราได้นะในรอบที่เดินธรรมยตาแล้วก็ปวดไปด้วยปวดไปด้วยเจ็บไปด้วยนะสอนนี้เห็นเลยนะทั้งรูปทั้งเวทนานี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราแล้วก็รูปก็ทุกสังขารก็ทุกนะอันนี้เราได้กําไรนะปวดเท้านะแต่ได้ธรรมะนะมันก็ถือว่าคุณ น, นะธรรมะมันมีค่ามากที่บางทีเราต้องยอมแลก ธรรมะนี่ไม่ใช่ว่าเป็นสิ่งที่ได้มงงาง่ายๆที่ต้องยอมแลกที่ความปวดเอาความปวดเท่าแลกแต่ได้ธรรมะกลับมาถือว่าได้กําไรนคนที่ฉล า, เเลาดเนี่ยเวลาป่วยเนี่ยเขาจะไม่ไม่เอาแต่ทุกข์แต่เขาจะรักษาใจปกติแล้วเขายัางสามารถที่จะได้รับสิ่งดีๆจากความทุกข์ได้รับสิ่งดีๆจากความป่วย ด, ด้วยมีบางคนก็ถึงกับพูดว่าจะขอบคุณมะเร็ง นะที่ทำให้เขาได้พบธรรมะนะมีวัยรุ่นคนหนึ่ง20นะจะเป็นมะเร็งเมเลือดหรือคินเมียที่แรกก็ทุกข์มากนะแต่ตอนหลังแกก็ยิ้มได้แกบอกว่าเนี่ยมะเร็งเนี่ยมันทำให้มันนำสิ่งดีๆมาให้กับชื่อมแกหรือสามอย่างอันที่หนึ่งคือมาทำให้แกได้ได้รู้จักพุทธศาสนา พอเวลาป่วยแล้วเนี่ยทำอะไรไม่ได้ไปเรียนก็ไปได้จะอยู่นิ่งๆก็ไม่ชอบแต่ที่จะเล่นลายเล่นเฟซบุ๊กก็อ่านหนังสือธรรมะก็ทำไม่ได้เข้าใจธรรมะว่าุรูเจ้าสอนอะไรสองทำไม่ได้เห็นความรักของพ่อแม่ตอนไม่ป่วยนี่ไม่เห็นนะอาจจะไม่อาจจะเห็นแต่ไม่ทราบซึ้งนะแต่พอป่วยพ่อแม่มาดูแลก็ทราบซึ้งเนกะิดความสำนึกในบุญพ่อแม่มากขึ้น หลายคนมามามาเห็นก็ตรงเนี้ยตอนที่ป่วยมีเด็กคนนึงเป็นผู้หญิงวัยสิบสองบอกว่ามีความสุขมากเลยตอนที่ป่วยเป็นมะเรงเนี่ยเพราะว่าพ่อแม่ลาภุษาลางงานมาดูแลเป็นโอกาสเป็นโอกาสเดียวมั้งที่ได้ใกล้ชิดกับพ่อแม่เพราะก่อนหน้านี้เนี่ยต่างคนต่างอยู่พ่อแม่ก็ไปทํางานลูกก็ไปเรียนแต่เช้าพอตัวเองป่วยนี่ พอแม่ก็มาดูแลอย่างใกล้ชิดก็มีความสุขจนเขาบอกว่าเนี่ยมีความสุขตอนไม่ป่วยเช่ไหมอันนี้เลยว่ารู้จักหาประโยชน์จากความเจ็บป่วยเาประโยชน์จากอนิจจารมนี่เด็กคนนั้นเนี่ยวัยรุ่นคนที่ว่าเนี่ยนอกจากเขาบอกว่าได้พบพุทธศาสนาได้เห็นความรักของพ่อแม่แล้วเนี่ยมันอีกประการนึงคือมันทําให้เขาได้รู้จักคิดมากขึ้น เขาอกนีเขาก็ไม่ป่วยเนี่ยนะเาคงเหมือนกับวัยรุ่นทั่วไปนอนหอพักนอนอยู่หอพักนอ น, นอนตีสามนะนอนตีสามนะตื่นมาตอนเที่ยงเสร็จแล้วก็ไปเรียนหนังสือสักสักพักแล้วก็ไปเฮฮากับเพื่อนคิดมันไม่มีสาระเลยแล้วก็ไม่เคยได้คิดถึงคนอื่นเท่าไหร่แต่พอมาป่วยเยนะี่ยมันทำให้ได้คิด นะก็รู้จักจะยังชังใจมากขึ้นอันนี้ก็เรียกเป็นคู่ที่รู้จักหาประโยชน์จากความเจ็บป่วยนะให้เราโชคดียยที่เราไม่ได้ป่วยขนาดนั้นแต่ว่าเราก็ยังสามารถที่จะหาประโยชน์จากความทุกข์กายระหว่างที่เดินธรรมยร า, าได้ความไม่สะดวกเนี่ยลองลองมองดูสิว่ามันให้อะไรกับเรานะอันนี้คือ คือการบ้านนะั่นที่อยากจะให้พวกเรานะได้ลองไปทําดูประการแรกคือเมื่อมีความทุกเกิดขึ้นรักษาใจไม่ให้ไม่ให้ทุกข์รักษาใจให้ปกติถ้าเราทําได้ก็คือว่าเสมอตัวนะแล้วข้อที่2ถ้าเราทําได้ยิ่งกว่นั้นคือหาประโยชน์จากมันประโยชน์ในทางธรรมะนะไม่ใช่ประโยชน์ในทางในทางวัตถุในทางาทรัพสมบัติอะไร ถ้าเราทำงันได้ก็ถือว่าได้กำไรนะป่วยเจ็บเมื่อยแต่ว่าใจปกติแถนได้ประโยชน์จากมันด้วยบางคนก็อาจจะเอาความทุกข์เนี่ยมาเป็นบทเรียนสอนใจของตัวเองหลายคนเนี่ยมีชีวิตที่ลำบากลำบนมากนะพ่อแม่ก็บางทีไม่มีหรือบางที พ่ อ, อก็โหดร้ายแม่ก็ติดเหล้าชีวิตนี่มือนกันนรกเลยแต่ว่ามันพอก็โตขึ้นี่ยมันกลับเป็นวัตถุ ด, ดิดอย่างดีสําหรับการเอามาเขียนเป็นนิยายหรือบางคนเอามาเขียนเป็นอัตราเชื้อประวัติก็กลายเป็นน้อเขียนดังขึ้นมาได้ไม่ได้อวัตถุ ด, ดิดแาบไหนเลยเอวัตถุ ด, ดิดจากชีวิตในวัยเด็กที่มันถูกทรมานที่มันมันก็เป็นนรกแต่แทนที่เขาจะปล่อยใจให้ถูก ถูกกระทําย่ํายีจากเหตุการณ์เหล่านั้นเขารึกษาจักเอามาใช้เป็นประโยชน์เอามาเขียนเป็นหนังสือเอามาเป็นบทเรียนให้กับผู้คนนะอันนี้อาจจะเป็นประโยชน์ทางโลกนะแต่ว่ามันก็เป็นประโยชน์ทน า, นางธรรมได้เหมือนกันคือทําให้ได้เข้าใจชีวิตมากขึ้นทําให้เข้าใจผู้อื่นได้มากขึ้นเรามีเวลาอยู่สองสองวันนะที่อยากจะให้ทดลองไปทําดู รักษาใจให้ปกติได้อย่างไรและเราจะหาประโยชน์จากมันได้อย่างไรนะหรือว่าอย่างน้อยทำข้อแรกก่อนก็ได้เรจะรักษาใจปกติได้อย่างไรเช้านี้นนเดินเก้ากิโลแด่อาจะร้อนทางจะไกลล้วก็รถก็เยอะนะแต่ว่าถ้าเรารู้จักรักษาใจให้อยู่กับปัจจุบันมีสติรู้กายยามเคลื่อนไหวรู้ใจเมื่อคิดนึก ปรุงแต่งอารมณ์ต่างๆที่เป็นอกุศลคุณเพ่ิงใจเรารู้ทันแล้วลก็พยายามเตือนใจอยู่เสมอให้เรายอมรับทุกอย่างที่เกิดขึ้ น, นมันจะช่วยเราได้ให้ใจเราเป็นผู้ปริเทศได้มากขึ้นอาราชานี้เราคุณนกันทังนี้นะครับรังสีัมมาสัมมุโตปะาวาโธุทานบาร สวัสด so, uh ่า